การดุทิส่วนกุศลเป็นการสร้างการุณาบารมีเมตตาต่างกับกรุณาตรงนี้เมตตาคิดอยากให้มีความสุขกรุณาอยากลงมือช่วยให้เขาพ้นทุกช่วยให้เขาได้ดีขึ้นมีสภาพที่ไม่ต้องหน้าเวทน า, นาอยากลงมือจริงๆไม่ใช่เอาแต่คิดอย่างเดียวจะเริ่มต้นด้วยการไปใส่บาตรสวดมนต์ หรือตั้งสัจจะวาจาวา่าวันนี้จะพูดดีไม่โกหกไม่ทำร้ายจิตใจ ใ, ใครและทำได้ตลอดวันก็เป็นกุศลอย่างใหญ่หลวงที่จะอุทิศบุญได้แล้วการอุทิศส่วนกุศลก็คือการแผ่เมตตาอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าเจตนาอยากจะอุทิศส่วนบุญที่เราได้ทำให้เขาได้รับบ้างไม่ใช่แค่มีการตั้งจิตคิดดีกับใครเฉย คือเมตตาต่างกับกรุณาตรงนี้เมตตาเนี่ยคืออยากให้มีความสุขแต่ว่าการุณาอยากลงมือช่วยให้เขาพ้นทุกข์ช่วยให้เขาได้ดีขึ้นช่วยให้เขาได้มีสภาพที่ไม่ต้องหน้าเวทนาอย่างที่เป็นอยู่อยากลงมือจริงๆคือไม่ใช่เอาแต่คิดอย่างเดียวสิ่งที่เราส่งไปคือบุญก่อนอื่นต้องทำบุญ หรือระลึกถึงบุญได้ด้วยใจอย่างแจ่มชัดจะให้ใครรู้สึกยินดีในบุญร่วมกับเราต้องทำกันในขณะที่มีชีวิตพูดให้ฟังเล่าให้ฟังว่าเราไปทำดีอะไรมาทำให้เขามีจิตใจใช่ม ช, ชื่นยินดีตามเราไปด้วยที่ทำไปหลังจากตายไปแล้วเนี่ยอันนั้นก็มีสิทธิ์แต่ยากเงื่อนไขเยอะ เงื่อนไขแรกปัจจัยฟังผู้ทิศคือมีความสุขมากพอบุญเป็นของที่มีพลังบุญใหญ่ก็คือมีความตั้งจิตที่เป็นไปในทางดีจริงๆและมีความผ่องใสมีความเบิกบานหนักแน่นจริงๆอย่างน้อยก็อยากทำให้ยิ้มในหน้าขึ้นมาเองอย่างเป็นธรรมชาติรู้สึกอยากเผื่อแผ่เองโดยไม่ฝืน จุดสำคัญที่สุดอยู่ที่ความสุขของเราเองแตกต่างจากเวลาคิดนึกลอยๆเป็นคนละเรื่องทำบุญไว้มากๆจะเข้าใจที่ผมพูดตรงนี้ถ้าเป็นผู้ทรงสมาธิก็หน่วงเอานิมิตแห่งการทำบุญไว้ในใจอาจเป็นภาพตัวเองใส่บาตรหรือนึกถึงทางสังฆทานจากนั้นคิดยกบุญซึ่งจิต จ, จับได้แล้วนั้นให้คนอื่นจะระบุนาม หรือส่งกว้างๆแบบไม่เลือกหน้าก็ได้เงื่อนไขประการที่สองปัจจัยฝั่งผู้อุทิตคือกำลังความสว่างของผู้อุทิตกียวดคือกำลังสว่างนั้นเพียงพอที่จะกระตุ้นให้วิญญาณเกิดความสว่างตามหรือเปล่าพระ บ, บางท่านมีฌานสมาบัติ มีความบริสุทธิ์สูงส่งของเรื่องการรักษาศีลแค่แผ่เมตตาไปนิดเดียววิญญาณถึงกระต่นแล้วก็เลื่อนชั้นเลื่อนภูมิก็มีถ้าไม่ใช่วิญญาณที่ติดบาปติดกรรมอะไรมากมายถ้าพูดกันในระดับของชาวบ้านธรรมดาคนที่เป็นญาติใกล้ชิดสนิทกันมีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นเพราะมีสื่อทางจิตกับผู้ตายอยู่โดยธรรมชาติ ถ้าหากว่าใจเรามีความสุขมากพอแล้วเขาเคยอนุโมทนามาก่อนจะเกิดความรู้สึกได้เองเหมือนตอนมีชีวิตว่าเขาสามารถรับรู้ได้และอนุโมทนาไปกับคุณถ้าหากว่าเป็นคนไม่รู้จักกันเลยกระแสเมตตาออกไปเป็นห่วงๆมีกำลังอ่อนก็อาจจะได้บ้างขณะอุทิศนั้นถ้าสมาธิสั้น เขาจะแค่รู้สึกดีแต่ยังไม่มีบุญพอจะตั้งสติรับได้ดเต็มรูปไม่พอจะปรับฐานะวิญญาณของตัวเองแต่ถ้าสมมุติรวมกันเยอะๆหลายๆคนอยากแผ่เมตตาให้เขาได้มีความสุขอยากให้เขาเลื่อนภพเลื่อนภูมิกระแสความเย็นกระแสความสว่างอาจจะมีมากพอที่เขาจะรู้สึกได้ เงื่อนไขในปัจจัยฝั่งผู้รับคือต้องเป็นภพภูมิที่มีจิตคิดยินดีในบุญได้การรับส่วนกุศลทำได้โดยยินดีปลื้มใจและคิดส่งเสริมสนับสนุนในบุญผู้อื่นอย่างที่เรียกว่าอนุโมทนาบุญนั่นเองหากกระศ จ, จจิตคิดยินดีในบุญก็เหมือนมือที่ไม่ยอมแบรรับเงิน ข้าวของเงินทองย่อมกองอยู่ตรงนั้นเฉยๆอย่างมากที่สุดอาจเหมือนสาดน้ำไปให้เขาเย็นผิวกายเดี๋ยวๆเขาก็ร้อนใหม่บางภพภูมิยังไงคุณก็ไม่สามารถดอดที่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านได้วิญญาณบางจำพวกทุกสาหัสเกินกว่าจะมีช่วงเวลาแม้สั้นๆเพื่อขอบุญหรือรับบุญใคร ถ้าหากว่าท่านไปเกิดเป็นเทวดาหรืออยู่ในภพภูมิที่สามารถจะอนุโมทนาบุญได้นั่นลหละท่านถึงจะได้ส่วนบุญส่วนกุศลสมมุติว่าท่านไปเกิดเป็นเทวดาถ้าหากว่าบุญที่เราทำน้อยมันก็เหมือนกับเอาเงินร้อยบาทไปให้เศรษฐีที่มีเป็นหมื่นล้านท่านก็ไม่สนใจจะอนุโมทนาหรือไม่มีกาลังใจที่จะเบิกบานในบุญของเราเท่าไหร่ หรือสมมติว่าท่านไปอยู่ในท้องสัตว์ขณะนั้นจิตเป็นภาวังอยู่ไม่สามารถที่จะอนุโมทนาอะไรทั้งสิ้นได้แน่นอนหรื อ, อยังกลับมาเกิดเป็นอยู่ในท้องคนอีกก็อนุโมทนาไม่ได้แต่วิญญาณไม่น้อยเหมือนกันที่หิวบุญอยากได้แสงสว่างจากผู้มีบุญ อย่าไปกะเกงอย่าไปคาดหวังให้เกินกว่าความสามารถของตัวเองว่าท่านจะต้องได้รับสิ่งที่คุณทําไปให้ถ้าหากเรามีความสงสารใครแล้วใจเราอยากช่วยเขาจริงๆอย่างแรงอันนั้นคนที่ได้นแน่ๆ่คือเราเองคือเราจะเป็นพวกไม่ดูดายเราจะเป็นพวกที่มีความการุณามีความกตัญญูได้ทําอะไรบางอย่างที่เป็นบุญที่เป็นความสว่างให้กับตัวเอง เพราะฉะ น, นั้นทำไปเธอ